หรือบังคับใจนี้ให้หลุดพ้นไปได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากจริงๆจนไม่มีใครจะพิสูจน์พินิจพิจรารณาโดยลำพังตนเองได้และไม่มีแก่ใจจะคิดไม่สะดุดใจอะไรเลย มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกอันดับต่อมาก็พระสาวกที่เด้ดู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายก็เท่ากับรู้แจ้งแทงทะลุกิเลสเครื่องปิดบังนี้ไปด้วยกันเราลองถามดูซิว่าในโลกกันนี้นะทั้งทั้งที่ความจริงนั้น ในจิตวิญญาณของแต่ละรายละหลายเป็นนักท่องเที่ยวที่สลับซับซ้อนมากที่สุดไม่มีอะไรเปินดวงวิญญาณที่สับเปลี่ยนบนเดียนเกิดตายเกิดเรืองกอไผ่กอหนึ่งหนึ่งนั้นรากของมันสลับซับซ้อนมากขนาดไหนกอไผ่ที่รากหนาที่สุดก็คือกอไผ่ ถ้าเรานำมาเทียบกิตวิญญาณแต่และดวงนั้นดวงหนึ่งที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สลับซับซ้อนวกไปเยือนมานั้นมากยิ่งกว่ารากไผ่ในกอไผยกอหนึ่งหนึ่งเป็นไหนไหน พอเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามานี้กี่กับกี่กันแล้วจึงไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าท่านอเนกชาติสังสารังนั้นมีชาติเป็นอเนกออกังถ้าหากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องสกัดตัดปันออก่อยให้จิตวิญญาณดวงนี้ถูกที่เล็ผลักใส เกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนี้จำมากมูลที่สุดหาประมาณไม่ได้เลยที่ว่ารากกอไผ่นั้นแต่ละกอละกอสับสนขนาดไหนนั้นมีไหมายถึงหลายกอหลายรากเมื่อเทียบแล้วยังสู้จิตวิญญาณของแต่ละดวงที่สับสนสร้างความสับสนใส่ตัวเองเพราะอานาจของกิเลสเพียงอันเดียวนี้เท่านั้น ยังมากยิ่งกว่าก็ไผ่กอนหนึ่งเป็นไหนไหนนะพอสร้างมากี่กับกี่กันแล้วแล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดฟันให้ขาดจากภพจากชาติเสียแล้วยึงจะมีทางยุติได้ในการสร้างภพสร้างชาตินับแล้วนับเล่ายิ่งกว่ารากไผ่เป็นไหนไหนท ที่ท่านทำที่ ท, ท่านกล่าวไว้ว่าความมืดดำของสัตว์ก็คือความมืดดำในภ พ, พชาติความเป็นมาของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครจะสามารถทราบได้เยืดอตัวสร้างภพชาตินี้จึงสนุกสร้างสร้างภพชาติโดย่ายเดียว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 หลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นกับพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมานี่ก็เป็นความแน่นอนในภพชาติไม่กี่ภพกี่ชาติอย่างมากก็เพียงเจ็ดชาติเท่านั้นก็ยุติลงได้หมดปัญหาในการเกิดแก่เก็บตายไม่มีอีกแล้วตลอดการไหนไหนะ แล้วผู้ที่สร้างความดีไว้ก็เหมือนต้นไม้ที่เนื้ครับการบำรุงจากปุ๋ยทั้งหลายเขเจริญเติบโตขึ้นมาจิต ใ, ใจที่มีความดีเป็นเครื่องอุดหนุนหรือสนับสนุนหล่อเลี้ยงก็เป็นจิตใจที่จะแน่นอนต่อความหลุดพ้นของตนนี่ครับการมีธรรมก็คือการสร้าง ความหมายการสร้างธรรมชาติที่ควรยุติให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้พบชาตินี้ได้สั้นวิลดลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่มีทาเลยก็ไม่มีทางออกเลยในจิตวิญญาณ น, นี้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 นี้เป็นลำดับไปที่เรียกว่าสาวกโกผู้สะดับกับฟังแล้วพยายามแกะไปตามร่องรอยแห่งสัสดาที่วางไว้แล้วนั้นก็จะถึงฟั่งแห่งความพ้นทุกโดยไม่ต้องสงสัยในการใดการหนึ่งจนได้แล้วย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเอง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 แล้วจะเบาบางลงไปได้ด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่หนานแน่นปิดบังทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อธรรมชาติที่ปิดบังนี้ค่อยจางออกไปจางออกไปจากจิตใจในขณะเดีย ว, ยวกันจิตใจก็จะเริ่มทราบเรื่องของตัวเองและทราบเรื่องสิ่งเกี่ยวข้องพัวพันไปได้โดยลำดับ สามารถที่จะกาจัดออกได้โดยสิ้เนเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนี้แล้วในบรรดาเชื่อที่จะพาให้โบกเ ย, ยนเกิดตายอยู่ยังที่เคยเป็นมานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์ปดพนด้วยสันพิติโกของผู้ปฏิบัติ จะพึงรู้เองเห็นเอ ง, เองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้พระสัสดาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะความชัดเจนนั้นพระพุทธเจ้าชัดเจนในพระองค์ฉันใดเราผู้ตัดทิเหลยอให้ขาดสะบั้นจา ก, กจิตใจของเราเองก็ชัดเจนในตัวเองฉันนั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้ บ, บรรลุธรรมแล้วจึงไม่ปรากฏว่าพระสาวกองใด เกิดความสงสัยและไปทูลถามความบัรลุของตนไม่มีเลยนั่นเพราะความรู้แจ้งเียงชัดนี้ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีน้ำหนักเท่ากันกับความรู้แจ้งของพระองค์และพระองค์ทรงทราบพระองค์โดยเร่นเด่นชัดมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้ จึงสามารถตีแผ่กระจายไปในบรรดาจิตทั้งหลายที่ยังไม่บริสุทธิ์และที่วอกเยียนเปลี่ยนแปลงเกิดายสับสนปนเปพบในพบน้อยพบใหญ่ไม่ทราบกี่พบกี่ชาติกี่ภูมินี่สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงไม่สงสัยเพราะเราเป็นผู้ที่ผ่ผานมาแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่กับใจปรากฏอยู่กับความรู้ของเราผู้ปฏิบัติ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 ที่ยอมด้วยสีต่างๆเช่นนั้นจิตใจจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำาๆำนุ่มนุ่มดอนดอนด้วยเหตุนี้บรรดาพบใดภูมิใดจึงไม่ว่างจากสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดไปถือปฏิสินธิในพบภูมินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกรรมของตนหมุนไปเองตัวของเราสร้างเองและมีสินผลดันให้พาสร้างกรรม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 เราเองผู้ปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นไม่สงสัยในความเป็นของตนไม่สงสัยในความเป็นมาของตนและไม่สงสัยในความที่จะเป็นไปอีกต่อไปได้อย่างไรเพราะขณะนี้ได้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่ไม่มีเงื่อนต่อที่จะเกิดพบพบเกิดชาติ ด, ดังที่เคยเป็นมาแล้วก็จับ ก, กับใจไม่สงสัยการที่แสดงออก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 ไปด้วยสิ่จํปลอมทั้งหลายรู้ในร ะ, ระยะสุดท้ายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สามารถ ท, ที่จะแทงทะลุปุโป่งไปได้อย่างไม่ถามผู้ใ <c> ด <oughs> นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกพระองค์ทรงถือพระไทยของพระองค์เองเนี่เป็นพื้นเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราว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 อไม่สงสัยการไม่สงสัยสอนออกมาด้วยความไม่สงสัยจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวอืมด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ที่ต้องการความจริงอยู่แล้วเช่นพวกอุคติตัญญูวิปปิกิตันญูซึ่งพร้อมแล้วที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อได้ฟังธรรมของจริงที่พระองค์แสดงออกอยากเปิดเผยด้วยความจริงเต็มส่วนจากพระไตยแล้ว ผู้ตี่ต้องการความจริงทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วย่อมรับได้เต็มหัว อ, อกและฉนัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นค่าสิบอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันสุดเบี่ยงแล้วก็หลุดพ้นไปได้นี่แหละธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ธรรมนี้แหละเป็นเครื่องที่จะกาจัดปัดเต่าหรือตัดฟันสิ่งที่เคย เป็นเชื้ออยู่ภายในให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานภาพเกิดแก่เก็บตายในพบนั่นพบนี้สูงสูงต่ำต่ำๆๆมึนๆมดเมื่อทำได้ทะลุออกไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเหี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ผู้ที่ต้องการของจริงอยู่แล้วก็รับอย่างเต็มหัวใจและรู้ตามลาดับลาดา ไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังรีรับความรู้อันนี้ได้เพราะความรู้ก็รู้จริงๆสิ่งที่มีให้ใหรับความรู้นี้รับทราบกันสัมผัสกรรมกันก็มีจริงๆเองไม่มีอันใดเป็นโมฆะเช่นบาปมีบุญมีนรกมีกิเลสมีพูดงา่ายๆขึ้นกิเลสมีก่อนเมือ่อกิเลสมีในหัวใจมันจะไปที่ไหนกิเลสจะพาให้ไปที่ไหนบ้าง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 ลงในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากน้อยหนักเบาตามกําลังแห่งความชั่วที่ตนสร้างมานั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความดีก็เช่นเดียวกันมีอํานาจแต่คนลทิศละทางอํานาจความดีก็เสริมไม่ไปดีโดยไถ่เดียวเท่านั้ น, นอํานาจแห่งทางชั่วก็กดลงไปให้สู่ชั่วโด้วยตัวเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นของมีได้เพราะธรรมชาติที่จะให้สร้างบาปสร้างกรรม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 มานำมาสอนจากความจริงที่ทรงสัมผัสสัมผันสแล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งสถานที่อยู่และทั้งของความดีความชั่วของคนดีคนคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ตชั่วมีอยู่ยึงนำมาสอนเช่นดานบอกว่านรกไงสวรรค์นี่เป็นสถานที่อยู่ของคนดีคนชั่วบาปบุญนี่เป็นสิ่งที่จะผลักดันเป็นสิ่งที่จะหนุนให้ไป แล้วย้อนมาหลังมาจากนั้นก็คือกิเลสนี่เป็นธรรมชาติที่ให้สร้สรางกรรมนี่แหละหมุนกันไปอย่างนี้ถึงทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจพระสรัพพัญญูรู้ตลอดทั่วถึงในบรรดาสิ่งที่มีในโลกสมมุติทั้งหลายนี้ทรงทราบแล้วทรงนำสิ่งที่ทราบนั้นมาสั่งสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วตัดผู้ที่คอยที่จะรับ ความจริงทั้งดีทั้งชั่วอยู่แล้วย่อมจะถึงใจทันทีและพอใจละพอใจบำเพ็ญเต็มหัวใจด้วยกันนี่แหละที่หลุดพ้นไปได้เพราะเหตุ น, นี้ที่นี่ผู้ปฏิบตัติเมื่อถึงขั้นที่อย่างทราบโดยลำพังตนเองแล้วก็ปิดไม่อยู่ตามกำลังความสามารถที่เรียกว่าสามัญนิสัยหรือสาวะนิสัยพุทธวิสัยนิสัยของพระพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเพราะภูมิของศาสตา ทีนี้ภูมิสาวกะบสัยภูมิของสาวกก็ก็สุดเบี่ยมของท่านเหมือนกันแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายเต็มสติกําลังความสามารถวาสนาของตนนี่แล้วสุดท้ายก็ได้ความจริงมาพูดอย่างเต็มปากหรือเต็มหัวใจรู้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันสาวกก็เต็มหัวใจสาวกอุิติจาก็เต็มหัวใจเต็มพระทัยของมือเจ้าในบรรดา ที่ทรงรู้และรู้สิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ปิดบังนี้ลักไม่ไดนะ้ท่านนำสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใ จ, จและสิ่งที่ใจสัมผัสนี่แหละออกมาสั่งสอนโลกท่านจะอุตริมาจากที่ไหนเราอยากทราบชัดเรื่องความจริงของพระพุทธเจ้าว่าทรงสั่งสอนโลกไม่มีอันใดอุตริหลอกลวงโลกเช่นเดียวกับพิเรศอะไรเลย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 สิงได้แล้วปิดไม่อยู่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดทั่วถึงตามกําลังแห่งความสามารถของตาของหูวงต่อ น, นั้นเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อถึงภูมิที่จะจิตใจจะรู้แล้วต้องรู้ในขณะที่มีสิ่งปิดแบบปิดปกปิดกาําบังเช่นเดียวกับเราหลับตานั้นก็หมายถึงกิเลสอวิชชานั่นแหละมันปิดหัวใจไว้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ให้เห็นออไม่ให้รู้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทํามันไม่ให้ทํา สิ่งที่ควรจะอยากมันไม่ให้อยากแต่สิ่งไม่ควรอยากมันให้อยากทีนี้เรามีอำนาจน้อยกว่ามันเราก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกจูงกันไปอย่างนั้นแ่ละจมูกขาดไปอย่างนั้นจะวาไงจูงไปจนจมูกขาดก็ยังไม่รู้ตนว่าได้ถูกจูงนี่ท่านจึงเรียกว่าโง่นั้นโง่อย่างนี้เองเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วท่านไม่ได้โงน่นี่อ่า กิเลแต่ละเอียดขนาดไหนท่านสามารถรู้ได้หมดและละได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือสังหารให้แหลกไปหมดจากใจแต่ก่อนใจนี้เป็นที่เหยียบย่ําทําลายที่ขับที่ถ่ายของกิเลสทุกประเภทแต่เวลาได้สร้างทําขึ้นมาโดยลําดับลําดาไม่ท้อถอยแล้วทํามีกําลังมากก็สามารถสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจนไม่มีเหลือภายในกิจใจแล้วใจก็สว่างโลดไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทีนี่เนี่ยเช่นเดียวกับเราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทำไมไม่ใช่คนตาบอดหงหวิอยู่ในวิสัยที่จะรู้จะเห็นแท้ๆท า, า, าไมจะไม่เห็นโลกเรานำใช้กันมาตลอดทุกรูปทุกนามด้วยตาด้วยหูที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ใช่คนตาบอดนี่แหละ น, นี่ความรู้ภายในจิตใจที่จะ่องมองทะลุในสิ่งทั้งหลาย ซึ่งควรจะบิดสยของตนต้องรู้ต้องเห็นปิดไม่อยู่นี่แหละเป็นเครื่องกระจายถึงองศาสดาภาษาวกไม่ยอมแต่เพียงความมืดสุดอย่างเดียวยังยอมสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตที่จะสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นกันได้เช่นนรกบาปบุญปุณธโทษสวรรค์ภพมโลกนี้ผ่านปิดได้อย่างไอใจตรงนี้จะไม่รู้ใจตรงนี้จะไม่เห็นปิดได้อย่างไนงนี่ทีนี้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็น ทำยังไงมันก็ไม่เห็นมันหลับตาอยู่นี่จะว่าไงบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็เห็นเหมือนเราบอกคนตาบอดน่ะบอกนี่หน้าสีแสงเป็นอย่างนี้น่ะวัตถุนี่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นอืแล้วบอกคนหูหนวกมันก็ไม่ได้ยินอีกเหมือนกันถึงระยะมันบอดถึงระยะมันหนวกเวลาหลับตาไว้มันก็ไม่เห็นเมื่อถึงขั้นมันเปิดเผยแล้วปิดไม่อยู่ท่านยังรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกไหนไม่ว่าเพียงศัสจะ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 มองดูหัวใจเจ้าของบริสุดอย่างไรก็อันเดียวกันยอมรับกันทันทีทันทีเลย น, นั่นนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แต่จะต้องมาทราบกันที่ภาคปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านํำหนับตํานาเฉยๆเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติก็เป็นเพียงความบอกเล่าเป็นเพียงความจําแม้จะเ ช, เชื่อก็เชื่อด้วยความสําคัญเชื่อด้วยสัญญาเชื่อด้วย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 อย่าต่างกันอย่างไรใจจะเป็นผู้บอกจากความสัมผัสนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยนี่นี่ละ่ะสาวกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับอย่างนี้ด้วยภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องได้เห็นถ้าปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไม่ใช่แบบหลับหูหลับตากินแล้วนอนก่อนแล้วนินไม่สนใจก็เลยมีแต่ชื่อแต่นามว่าปฏิบัติเท่านั้นไม่เป็นท่าเพราะไม่ขึ้นอยู่กักบคําเสกสรรปัญนยอเฉยๆ การปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงนี่แหละส่วนสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะของบริ้เทนั้นสดสดร้อนร้อนไม่ได้มีคาว่าอดีตอนาคตไม่มีคาว่าไกลท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่แล้วขอให้ปรับธรรมชาติที่ควรจะรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้พอเหมาะพอควรพี่จะพึงทราบกันเป็นลาดับลำดัเถิ ด, ำ ด, ำ ด, ำดำ จะทราบไปโดยลำดับดาจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงทราบเต็มหัวใจไม่มีอะไรจะสงสัยเลยนี่ท่านจึงไม่เรียกว่าสภาพทั้งหลายเป็นของไกลเป็นของใกล้มีอยู่ไกลมีอยู่ลึกจิตอย่างไม่ถึงอย่างนี้ไม่มีจิตเป็นธรรมชาติไม่มีการสถานที่เวลมเวลาเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาฉันใด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 ยังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสิเบื้องต้นก็แสดงอนุปิกถานั่นเราเห็นไหมในตำรับตำลามีอยู่แล้วผู้ที่จะควรรับอนุปิกถาห้ประการก็ต้องทรงสอนนั่นไปก่อนนังที่เคยแสดงแล้วอนุพิกถาห้าไม่จําเป็นจะต้องเจริญยต่อไปอีกนี่คือเพียงพูดจะเพียงว่าแสดงทำไปโดยลําดับเหมือนกันกับเครื่องบินเหินฟ้า ขึ้นจากสนามแล้วเหินขึ้นเหินขึ้นสูงลิบลับไปเลยนี่ก็ตั้งแต่ทำพื้นพื้นฟอกจิตใจขั้นพื้นพื้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงนิมุดหลุดพ้นที่เหมือนกับเดือบินเหินฟ้านั่นแล้วรายใดที่ควรจะแสดงลงในอริยสัจสี่ให้ได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างรวดเร็วพระองค์ก็ไม่รอทรงแสดงธรรมะนี้เท่านั้นไม่ต้องไปพูดถึงอนุพิกถาเนี่ยเมื่อถึง คนที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องพูดอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างอื่นไม่ได้นี่นี่แหละใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความเฉลียวฉลาดการในการสั่งสอนคน <c oughs> ทีนี้เราจะพูดทุกแง่ทุกภูมิให้คนฟังเสียไม่ทราบประเภทใดคนภูมิใดชั้นใดพูดไปหมดทั้งๆที่เขาไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมา ธ, ธิเป็นยังไงปัญญามอะไรก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างเดียว มันก็ไม่ได้มันไม่เข้าใจว่าเกิดประโยชน์อะไรแสดงความโง่เจ้าของให้โลกเขาเห็นซะอีกเพราะไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีเมื่อถึงขั้นที่จะควรแสดงขั้นใดภูมิใดแก่บุคคลประเภทใดนำออกเองเป็นเองเป็นรู้จักความเหมาะสมเองนั่นสมกับผู้รู้ทำเห็นทาโดยแท้เป็นอย่างนั้นแล้วเคเห็นไม่แค่เหลืออย่างพระสัจจีกับพระสารีบุตร พ ร, พระอาสัชชิท่านแสดงตัวลวดลายออกอะไรบางไม่แสดงเมื่อถึงขั้นที่พระสารีบุตรจะทราบภูมิของพระอาสัชชีแล้วไม่ต้องบอกพระสารีบุตรก็เป็นองค์ที่ฉลาดแหลมคมรองพระพุทธเจ้าได้รับเอเสะคะทางปัญญาเฉล๋ยวฉลาดอตัวแล้วก็ทราบเรื่องของพระอาสัชชิว่าถึงขั้นใดภูมิใดเป็นพระประเภทใดโดยไม่ต้องสงสัยน่ท่าน ได้ทราบว่าพระสัชชิอยู่ในทิศใดแดนใดพระสาดิบุตรจะต้องยกมือไหว้อาจารย์ของตัวเองในทิศนั้นภูมินั้ น, น, นทิศทางน้นทางไหนก็ตามอยู่ไม่ตลอดจนกระทั่งวันนี้ผ่านนั่นเป็นอย่างไงท่านรู้ภูมิกันท่านรู้จากความเหมาะสมข้องกันล้วกันไม่จําเป็นจะต้องมาเปิดว่าอาตมานี่คือพระสัชชิได้สําเร็จพระราหานแล้วพูดไปอะไรแสดง ผลเหตุที่จะให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์แต่ผู้ฟังเท่านั้นพระสารีบุตรก็รับได้แล้วสําเร็จพระโสดาขึ้นมานั่นนั่นเป็นจุดที่ผู้ฟังจะรับประโยชน์ท่านแสดงออกในจุดนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าอัตมาเป็นพระหลานเพราะคํานี้จะเป็นคําเสนียบจันเลสําหรับพระสารีบุตรในเวลานั้นหรือนํากับบุคคลผู้ใดก็ตามที่ยังไม่สมควรจะแสดงให้ฟังจ ะ, ะแสดงก็เป็นความผิด ของภูนั้นซึ่งไม่รู้จักประมาณในการแสดงธรรมนั่นหละธรรมะจริงมีประมาณไม่ใช่จะพูดทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเราดูอย่างพระพุทธเจ้าแสดงกับสาวกสิพระสาวกองค์ใดไปรู้เห็นสิ่งใดมาพวกเปรตพวกผีอยู่ในสถานที่ใดแดนใดแล้วเข้ามากราบภูนพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าเออเรื่อง สิ่งเหล่านี้เหล่านี้เราเห็นแล้วตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนู้นปีน้นพศน้นพระพุทธวิปัสาเพราะเป็นอดีตเรื่องมาแล้วแต่เราจะถาคตไม่พูดไม่เห็นเกิดประโยชน์จะพูดไปทำใหม่เมื่อมีผู้พูดผู้พูดเห็นด้วยแล้วตถาคตก็พูดนี่ถาคตได้ทราบมาก่อนแล้วนั่นตังเจ้นั่นมันเหมาะสมเมื่อไรที่ไหนกับบุคคลผู้ใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบพูดทรงเล่าให้ฟังภาษาของเราเป็นอย่างนั้น นี่ก็เหมือนการทําจะเต็มหัวใจก็ให้เต็มอยู่สิทําแท้ไม่หิวไม่หยไม่ดิ้นรนกระวนกวายไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมีมากมีน้อยต้องดิ้นรนกระวนกวายอยากแสดงตัวอยากแสดงออกเสมอนั่นเรื่องของกิเลสแล้วก็ชอบปวดตัวทั้งๆที่อยากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดก็ชอบว่าดีที่สุดชอบพูดว่าดีที่สุดว่าว่าฉลาดแหลมคมที่สุดคําว่าดีๆไม่มีอะไรเกินกิเลสทั้งๆที่กิเลสนั้นชั่วที่สุด แต่ชอบยกตนเป็นแคนั้นแต่เรื่องของทำไหมเหตุผลกลไกลควรจะเป็นอย่างไรก็แสดงไปตามเหตุตามผลเหมือนกับมีที่คมกล้าที่สุดแล้วเก็บไว้ในฝักใส่ฝักเอาไว้เวลาต้องการจะใช้ถอดมาจากฝักแล้วใช้เสร็จแล้วเก็บข้อในฝักเหมือนไม่เคยได้ฝันอะไรเลยทำกับจิตก็เหมือนกันเมื่อถึงการที่จะแสดง ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสําหรับผู้ฟังจะได้เต็มภูมิของตัวเองแล้วก็แสดงออกเสียไม่มีอะไรเหลือเลยออืเอาให้เต็มภูมิเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นควรจะแสดงขั้นในออกก็ต้องแสดงขั้นนั้นนี่จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติรู้เรื่องแล้วรู้จักปฏิบตัติต่อเรื่องราวทั้งหลายตลอดผู้มาเกี่ยวข้องเป็นคนประเภทใดการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้ในการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลนั้นนานนานธรรมเพราะฉะนั้น ทรรมนี้จึงเป็นของสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติแล้วให้รู้เองเห็นเองนั่นหละมากที่เป็นแต่เพียงท่านแนะแนวทางให้ดังที่อธิบายมาเหล่านี้ก็คือแนวทางแห่งธรรมเอามันจะปิดไปไหนลองดูสิบาปพระพูทเจ้าว่ามีอ้าพิจารณาลงไปในทางยิ่งต่ภาวนาของเรามันจะไม่เห็นยังไงบาปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่สัมผัสที่ใจบุญจะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจ รูปจะสมัติสัมผัสที่ไหนถ้าไม่ใช่สัมผัสที่ตาเอาในรกสวรรค์จะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจที่มียานอย่างทราบนี่จะไปสัมผัสที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสัมผัสที่ตรงไหนสาวกก็ต้องสัมผัสที่ตรงนั้นเพราะมีเครื่องรับเหมือนกันนี่เป็นเพียงว่าลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันไปเท่านั้นเองแต่ส่วนที่ยังเห็นปิดไม่อยู่นั่นอานิพานละเอียดขนาดไหนทําไมสาวกรู้ได้นั่นแล้วดูสิสัมผัสอะไรสัมผัสใจนั่นแหละสัมผัสนิพาน ใจนั่นแหละสัมผัสความสิ่นกิเลสใจนั่นแหละเป็นครังกิเลสเวลาเปิดอันนี้ออกหมดทอดถอนอันนี้ออกหมดแล้วจิตใจกายเป็นใจที่บุรุษทำไมจะไม่ทราบว่าตนบริสุทธิ์และทำไมจะไม่ทราบเรื่องของพระนิพพานถามใครทำไ ม, มนี่ให้พระกันจํจำเอาถ้าอยากจะทราบเรื่องความเป็นมาของตนดังที่กล่าวแล้วตะกี้นี้ในเบื้องตน้นว่า จิตว <c oughs> ิ ญ, ญาณแต่และดวงละดวงนั้นความสลับซับซ้อนแห่งความเกิดแก่เก็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในพบน้อยพบใหญ่มากกี่กับนับไม่ถ้วนนั้นจะมีความหนาแน่นสับสนยิ่งกว่ากอไผ่ทั้งกอเพียงยิน ญ, ญาณดวงเดียวนี้เท่านั้นก็มากยิ่งกว่ากอไผ่รากกอไผ่ทั้งกอทั้งทั้งกอนั่นแล้วนั่นแล้วเราจะทําอย่างไง หรือเรายังจะงยินดีสั่งสมรากัย ค, คือความเกิดแกิดเก็บตายของเรานี่ให้มันมากมูลขึ้นไปกว่า น, นี้เออแล้วใครจะเป็นคนแบกคนถามใครจะเป็นคนนับผิดชอบแบกหามในกองทุกข์ทั้งหลายในพวกน้อยพวกใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความเกิดความตายเป็นความขัดถ้าเราไม่รีบสลับเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอัตภาพก็อํานวยจิตใจก็อํานวยเทศก็อํานวยอยู่แล้วเราขัดข้องอะไรเวลานี้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 โดยหลักธรรมชาติของตัวตลอดเวลานี้เท่า น, านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องกีดขวางจิตใจนี่แหละมันไม่พร้อมเพราะกิเลสไม่พาให้พร้อมแล้วยาเข้าใจว่ากิเลสจะพาให้พร้อมในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ฝืนไม่ต่อยกันแล้วจะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชระหว่างกิเลสกับเราเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจเหนือกันระหว่างกิเลสกับธรรมะที่เราจะนำมาต่อกอนกันนั้นมีเท่านี้ท่านทั้งหลายเห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นของประเสริฐเลิศเล อ, เล อ, เลอที่ตรงไหน เอาเอามาพิจารณาดูสิทุกคนทุกรูปทุกนามนี้เก่งกว่ารากไม้ไผ่นั่นแล้วแหละไม่ไม่น่าจะสงสัยนี่เปิดให้ฟังอย่างชัดเจนถึงจะตัวเท่าหนูก็าตามเตอะผมไม่สงสัยจริงๆพูดออกมาอย่างเปิดเผยเต็มหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจดวงนี้มันเป็นอย่างนั้นละ่ะพอเทียบได้กับรากไผ่นั่นแหละเพรนี่พอเพียงเทียบได้เฉยๆนะแต่ยังไม่มีเทียงเท่านี้ยังมากกว่านี้อีกหากพอเทียบกันเป็นข้อ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 ยื้อแย่งแข่งดีกับเราอีกต่อไปเหมือนดังกิเลสที่มันยื้อแย่งแข่งดีกับเราอยู่เวลานี้เลยให้เอาตรงนี้นะจิตเป็นของสําคัญกิเลสเป็นของสําคัญการที่จะฆากิเลสเพื่อไม่มีเยื่อใยต่อไปแบกบกองทุกต่อไปมีอยู่กับหัวใจของเรามีอยู่กับผู้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเราจะเห็นอะไรเป็นของวิเศษรากไผ่วิเศษไหมพิจนาณพี่ความเกิด่เจริตายของเรามันวิเศษที่ตรงไหนถ้าวิเศษก็พวกเรามันพวกรากไผ่อาจารย์ของรากไผ่ มาพอแล้วหนายิ่งกว่ารากไผ่แล้วมันควรจะวิเศษไปไปสนนานแล้วแล้วนี้มันเป็นยังไงอะไรพายไม่วิเศษอยู่เดือนพระอะไรพายเป็นรากไผ่ก็กิเลสนั่นสิกิเลสนั่นะตัวสําคัญเร็วนี้ฟันกันลงไปอ๋อมันเห็นดําเห็นแดงน่เลยเราระวังตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันเร็วที่สุดนะในขณะที่กิเลสเร็วในขณะที่กิเลสเรื่องอำนาจจะออกก่อนเพื่อนออกก่อนเพื่อนแล้วทําลายเรานั้นแหละทําลายทํา ใ, ในใจของเราที่ควรจะเกิด ความเพียรก็ล้มเหลวสติสตางก็ล้มเหลว อ, อะไรๆขึ้นที่ว่าเป็นธรรมเนี่ ล, ล้มเหลวล้มเหลวมิตรกิเลสเหยียบเอาเหยียบเอายองเมื่อถึงอยู่ในการเวลาของมันที่มีอำนาจเปลืองอำนาจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในการปฏิบัตินี่แหละมันรู้ตัวของมันและรู้ตัวของเราด้วยะเวลามันมันอ่อนเปียกมันสู้กิเลสไม่ได้มันเป็นงไมันรู้อยู่ในหัวใจอันนี้เป็นสัจธรรม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 ทำไมจะไม่แจ้งทําไมจะไม่รู้ก็หัวใจดวงนี้ที่ถูกอวิชชาใส่ลิ่มสลักเข้าไปแทงเข้าไปตรงนั้นให้พาเกิดแกเก็บตายอยู่ตลอดเวลาลเรายังไม่เข็ดไม่หลับเราจะไปเข็ดหลับเมื่อไหร่ธรรมบูชาเป็นธรรมที่สอนให้เข็ดหลับทั้งนั้นพระพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งโทษทั้งคุณของกิดเลสของข้อและของธรรมเหตุใ ด, ดเราจะมาสงสัยสิ่งนี้อยู่แล้ววันตายมันไม่แน่นะ ลบทลมหายใจเท่านั้นก็ตายได้ไม่ว่าชาติชั้นบรรดาดนั้นสมมุติกันไปตามขั้นตามปู่มสิ่งสําคัญที่เป็นเครื่องประกันอยู่เวลานี้คือลมหายใจนี้เท่านั้นอา้าว้าลมหายใจหมดเมื่อไหร่แล้วนั่งอยู่มันก็ตายนอนอยู่ก็ตายเนี่ยเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่เอาสู้ที่สู้ขี้เลศถ้าเห็นว่าขีเลศเป็นภัยตามหลักธรรมที่สอนไว้และเห็นว่าทําเป็นคุณนํามาต่อสู้ขิ้เลศให้มันให้มันบรรลัยลงไปสินี่แหละการปฏิบัติธรรมอย่ามัาพอแท้เลวไหลหล่ออ่อนแอให้เห็น สอนหมู่สอนเพื่อนนี่สอนด้วยความจริงอกจริงใจจริงสอนด้วยความเมตตาสงสารและสอนด้วยความผ่านมาของเจ้าของล้มลูกคุ่คานมายัางไงก็เคยสอนหมู่เพื่อนแล้วเต้นอย่างไรบางทีจนแทบว่าจะเป็นจะตายจริงๆต่ก็ไม่มีกุศลาแหละนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเรื่องสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นจิงกล้าพูดได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นแก่นที่ที่ฉลาดที่สุดยิ่งกว่ากิเลสเพราะสติปัญญาเราเคยช้าในโลกเทงสารก็ไม่เท่าไรนะ่นักแต่เวลานํามาใช้ ต่อสู้กิเลสเพื่อให้มันบันไลไัยประจากษจิตใจนี่แหมมีเท่าไรทึกทุ่มกันหมดทุกหวดชีวิตจิตใจทุ่มลงไปหมดอเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกแสนทุกมหาทุกก็เคยทุกมาแล้วในการต่อสู้กิเลนี่ก็ได้พูดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนนี่มาสอนอย่างเต็มอกเต็มใจที่จะของเป็นมาอย่างไางจะว่าโอวัอวดก็เอาใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ได้โอได้อวดใครเราพูดด้วยความเมตตาสงสารพูดด้วยความจงรักพากดีต่อมู่ต่อเพื่อนที่เห็นมาอยู่ด้วยมากมายเท่าไหร่ก็ จะพูดอันออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งจะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งอยู่นี้แหละแล้วตกลงก็เต็มวัดแต่มวัดนี่จะว่าอย่างไงแล้วยังจะมาอวดหมู่เพื่อนอยู่เหรอการสอนอัดสอนรำนี่ยังจะมาอวดกันเล่นเล่นเล่นอยู่เหรอฮะการรับหมู่เพื่อนไว้โดยความสงสารเห็นอกเห็นใจเทียบหัวใจเราหัวใจท่านทั้งหลายใส่กันดังที่เราเคยพูดให้ฟังว่าไปสาะแสดงหาครูบาอาจารย์นี่แห่แทบล้มแทบตายพอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นน่ะไม่อยากได้ยินเลยคําที่ว่านี่ที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วเนี่ย กลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงนาดนั้นเรายังไม่ลืมนะคาพูดของท่านคํานั้นเหมือนเป็นสดสดร้อนๆบานนี่พอดีนะเนี่ยเมื่อวานนี่ท่านเนตรไปจากนี่แล้ววันนี้ท่านหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างนั่นทั้งที่ท่านพูดโอยมันเสียวเลยจะตายเข้าถึงหัวตับเนี่ยนะทั้งที่จะได้อยู่อยู่นะ ท, ทั้งที่นี่ละนํามาพิพจารณาถึงพวกเพื่อนหมู่เพื่อนเพื่อนฝูงทั้งหลายนะ มากน้อยกทอ็ทนเอาทนเอานอกจากมันเหลือกําลังแล้วกว็หมู่เพื่อนก็ควรจะพิจารณาในความเหมาะสมความพอดีนี่อันหนี้นี่แล้ ว, แ ล, วแล้วยังจะมาสอนหมู่เพื่อนด้วยความหลอกลวงอยู่เหรอนี่เวลามันทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นนะผมพูดได้เต็มปากว่าในชีวิตของผมไม่เคยมีอะไรหนักยิ่งกว่าการต่อสู้กีเดตเอาขนาดนั้นเถอะนะบางทีเดินไปเนี่ยไปขล่องน้ําล่องเครือ น, นิดหนึ่งลมโครมลงไปแล้วเพราะไม่มีกําลังจากก้าวขาแต่ใจไม่ถอย มันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจะเป็นจะตายได้เคยพูดให้ฟังจนกระทั่งเขาแตกบ้านแตกเมืองออกไปดูเราเขาว่าเราตายแล้วไม่กินข้าวกี่วันกี่วันอ้นไปอ้นไปนานเขานานเข้ามันก็ผิดสังเกตที่คนเราก็ต้องเป็นไปได้แหละเขาก็ต้องไปดูท่งฟังดิือนี่เอามาอวดหมู่เพื่อนหรอเนี่ยเอไม่ได้อวดเรื่องพูดถึงเรื่องของกิเลสเวลาหนักหนักห น, กนาเวลาต่อสู้กิเลสถึงขนาดนั้นเที่ยวนะ เจ้าของยังมารูว่าจะตายคนอื่นเขายังมาดูรู้ว่าเราจะตายแแห่ก็ตมาดูเห็นไหมเนี่ยถึงบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้อุตริไม่มาหลอกคุงหมูเพื่อนนี่นี่ขั้นขั้นต่อก่อนกันถึงขนาดนั้นแล้วก็นีน่ละ่ะเป็นพื้นเป็นฐานที่จะให้เรามีทุนเป็นลําดับลําดาและเป็นกําไรขึ้นในวันนั้นมันนี้หนุนกันขึ้นหนุนกันขึ้นสมาธิไม่มีก็ค่อยมีขึ้นมาอ้าว เมื่อมีขึ้นมาแล้วกิจจนกระทั่งถึงกลายเป็นสมาธิด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามเสริมกันขึ้นเขเหมือ น, นขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฟาดกันทางปัญญาปัญญาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ออกไม่ได้มันติดติดสมาธิเพราะสมาธินี้มีความเป็นความสุขที่พอจะให้ติดได้ถึงติดได้คนเราความสุขในสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วกิจใจไม่ฟุ้งซ่านลำคาญ พอจิตอย่างเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่นั้นไม่อยากออกยุ่งกับอะไรเลยตาไม่อยากไม่อยากมองดูหูไม่อยากฟังมันเป็นการยุ่งเกลี้ยงรบกวนจิตใจขอยงเราให้กระเพื่อมเปล่ า, เ, ลาเมื่อจิตเด่แน่วอยู่ในสมาธินั้นอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นี่แหละมันติดได้อย่างนี้เองนี่ก่อสุดท้ายก่อนึกว่าความรู้ที่เด่นเด่น อยู่นี้เองจะเป็นนิพพานนั้นนี้จะเป็นนิพพานจอกันอยู่นั้นจะบัดจะเป็นนิพพานนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่นั้นแหะจนกระทั่งวันตายก็จะต้องเป็นสมาธิและติดสมาธิจนกระทั่งวันตายถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากออกผมเองก็คือหลวงปู่มั่นมาฉุดมาลากเถียงกันซะจนตาดำตาแดงเออจนกระทั่งพระทั้งวัดไต่คือกันมาแต็มันอยู่ใต้ถุนนี่เพราะการโต้กับหลวงปู่มัน่นไม่ใช่โต้โดยทิฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะโต้โดยควาำเราก็เข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเรา ท่านก็กริงเงินหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกพราะท่านรู้เนี่ยเราพูดทั้งๆที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานเนท่านสุดท้ายก็ท่านมาไล่ออกเห็นไหมสมาธิมันมีความสุขมากขนาดไหนฮะนะขอล่ะแล้วเนื้อติดฟันมีความสุขขนาดไหนฮะว่าที่สมาธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันะท่านรู้ไหมท่านรู้ไหม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 เป็นสมาธิน่ะอา้อาวพูดออกมาสิแล้วก็ยอมแล้วสิพอออกจากท่านไปแล้วก็โอ้หนี่เราไปเก่งมาจากาทวีปไหนนี่้เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมหาความจริงทําไมวันนี้จะมาโต้กันจอกับท่านยิ่งกับมวยแชมเปี้ยนเขานี่มันเป็นยังไงเหล่านี้มันไม่เกินครูกันอาจารย์ไปได้เหรือแล้วท่านพูดนั่นท่านพูดด้วยความหลงหรือใครเป็นคนหลงน่ะเอาละทีนี้ย้อนกลับมาหาตัวเองถ้าไม่ ไม่ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่มาหาท่านทําไมถ้าว่าเราวิเศษวิสโสแล้วทําไมเราจึงต้องมาหาครูบาอาจารย์ที่ตนมาไม่มิเศษล่ะแต่เราก็ไม่เคยดูถูกท่านแหละนี่หมากขามาตีเจ้าของย้อนต้นให้เข็นเจ้าของสุดท้ายก็ออกก้าวทางด้านปัญญาเมื่อก้าวทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยที่ไม่ผึ่งยังไงก็สมาธิมันพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็คือว่าผักก็มีเนื้อก็มีปลาก็มี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 ออกทางด้านปัญญาเท่านั้นนั่นก็ผึงเลยทีเดียวี่นี่เพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะทําให้แกงประเภทไหนเออไม่มาเครื่องําครัวพร้อมหมดแล้วจะทําให้เป็นแกงประเภทใดอาหารประเภทใดมันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันเอาจะพิจารณาทา ง, งปัญญาจะเอาพิจารณาอย่างไรมันพร้อมแล้วนี่เพราะสมาธิหนุนตัวอยู่เต็มที่แล้ว ท, ทําไมจิตจะมากินสมาธิว่าเป็นมะพร้าวนิพานเออทำไมจะมากินผักกิญ้าเข้าใจว่าแกงล่ะมันทั้งๆ้งที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นแกงนักฟาดกันเจ้าของอะเนี่ย พอออกจากนี้แล้วปัญญาก็ก้าหละที่นี่นะก้าวแล้วก็ยังกลับไปสู้กับท่านอีกนะโดยเวลามันออกทางด้านปัญญานี่อ้าอีกแล้วกลางคืนไม่ในนอนบางคืนสองคืนสามคืนมันไม่ยอมนอนกลางวันยังไม่ยอมนอนอีกอ้าวปูนี่จะตายแล้วนะ่าบ้าเจ้าของไอ้ปูนี้มจะตายแล้วนะั้นเ้งะมันยังไงนี่โ้ยเวลามันมันนอนอยู่ในสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นแเวลามันออกก็ออกอย่างนี้ทำไงนี่อ๋อแล้วก็คืนไหาท่านอีกนะนี่ พ่อแม่กูวิจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกนะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนได้สองสามคืนเลยนะกลางว่าก็นอนนั่นละมันหลงสังมันอมันอ่านนั่นแหะมันหลงสังขารฟังที่สันพูดนะโอ้ถ้าไม่คิดไม่ไม่ไม่ไม่ปีน้ำมันก็ไม่เกิดปัญญาได้ไงนี่พูดถึงเรื่องปัญญาเมื่อถึงขั้นหมุนแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเป็นอย่างนี้เองเห็นจะชัดเราไม่สงสัย ติดสมาธิเราก็ไม่สงสัยเราเคยติดแล้วถึงขนาดที่พ่อแม่กูจันทร์ไล่ออกเลอที่แ ก, ก็ไปหาท่านเมื่อไรท่านถามว่าสบายดีเหรือสงบดีเหร อ, ส ง, หรอสงบดีอยู่แล้วก็ว่างเนี่ยท่านก็ไปว่าอะไรเพราะนานเขานานเข้าก็อย่างว่าเนะี่ยเพราะว่าเป็นยังไงสรรมหาสบายดีหรื อ, รอใจอสบายดีอยู่สงบดีอยู่ท่านจะตายนั่นหรนอนตายนั่นหรือนั่นฟังสิ ทีนี่ขึ้นแล้วนะเพิกเปลี่ยนไปหมดสีหน้าสีตาอะไระะแสดงท่าทางออกหมดแล้วนะนี่จะเอาเต็มที่หรือจะเข็ดเต็มที่อ่าท่านจะนอนตายนั่นหรือคุนว่าท่านรู้ไหมสมาธิถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมน่ะนี่แหละที่นี่กัไปอย่างที่ว่านะพอเอากันอย่างจังๆแล้วก็ออกแบบกับพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อออกมันก็ออกจริงจรนะิะเพราะมันพร้อมแล้วนี่ที่จะเกิดปัญญาหมุนติวติว ท, ทั้งวันทั้งคืนเดินเนก็ไม่รู้จักหยุด เดินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ชันตั้งหันหแล้วจนกระทั่งถึงปัดตาฟังสิไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่งานอย่างนี้เดินกันไปบางทีเดินอย่งกรมเนี่ยนู่นเซซัดเข้าในป่าโฮมคามในป่านู่นพราะจิตมันไม่ออกนี่ตามันก็มืดมัวไปหมดแล้วที่มิดขาเก้าไปเก้าไปก็เข้าป่านู่นแล้วออกมาอีกเอาอีกอย่างนั้นไม่มีคำว่าน้ําท่าอะไรๆไม่สนใจทางนั้นนถึงขั้นมันตลุมบอลกันนี่ปัญญาเป็นอย่างนั้น พอไปพูดถึงท่านท่านก็บอกว่านั่นแหะมันหลงสังขารท่านท่านว่านะั้นว่ากี่เราพูดจากินนี่ว่ามาพ่อแม่ครูจาให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่พิจนารณาเนี่ยไม่ได้นอนได้สองสามคืนนะเนี่ยกลางวันมันยังไม่นอนอีกนั่นนหละมันหลงสังขารนานะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นี่นานหรือว่านั่นละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารนนะั่นก็เอาใหญ่เลยพอคราว น, นี้หมอบแล้วนะงูเหา่าค่อยหมอบลงอ่ะ น, นี่มันก็จะถูกอย่างที่ท่านว่าวันนั้นแหละมันนึกในใจนะทีนี้ก็นิ่งพอไปก็ถึงอย่าางนนนัันก้กก็็ตมม มันก็หมุนติ้วที่ของมันเหมือนกันแต่เมื่อเราจะตายแล้วมันก็เข้าสมาธิได้ด้วยบังคับนะถ้าธรรมดาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าเพราะเห็นว่าทีนี้มันไม่พอดีนะเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆีกว่าไม่เห็นได้ผลได้ปยอะไรนอนตายเฉยสมาธิปัญญาต่างหากได้ผลหว่างนั้นทีนี้ก็จะเอาปัญญาก็แบบไม่หยุดอีกแล้วว่าการทํางานได้งานการพักมาในงานก็ไม่พักจะทํางานก็จะตายอีกเหมือนกันนี่เวลามันเต็มที่เต็มฐานแล้ว มันจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดกระบวนกายการทํางานด้วยปัญญาก า, การคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของผิ้ควรที่จะได้พักแล้วก็บังคับแล้วทีนี้เห็นว่ามั น, ม, นมันหนักเกินไปแล้วก็บังคับถึงขนาดที่ได้บริกรรมนะพุโทโธพุโทโธที่ยิบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทํางานไม่ใช่ออกฟุง้งซ่านของการไปไหนนะออกจะออกไปหางานที่ทํำยังไม่เสร็จบังคับไว้บังคับไว้จนกระทั่งถึงสุดท้ายก็จิีก็ลงแน่วเงีเยบ แล้วปรากฏว่ากําลังวางชาเนะี่ยโอ้มันเพิ่มขึ้นมาไอ้พูดไม่ถูกนะนี่พราะใจมีกําลังในการพักสมาธิแล้วเพราะถอนถึงเท่านั้นแหละโดดผึ่งใส่เลยนั่นที่นี้มันก็เหมือนกันกรับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพูดถึงการงานนะหรือได้รับทานอาหารมีกําลังวังชาแล้วทํางานทําการงานชิ้นนั้นแหละแต่มันเสร็จได้รวดเรวดเลยนี่ก็เหมือนกันไม้ถอนนั้นแหละปัญญาอันนี้เนี่ย ฟันลงไปมันขาดจะบ้านันไปเลยเพราะปัญญาได้พักตัวนั่นนะครับแต่มันทําำไมจําเป็นจริงๆมันไม่อยากจะพักนะถ้าฟื้นเอาเฉยและร ะ, ะลึกถึงคําของท่านพูดไม่ว่ามันหลงทังขานนั้นอยู่เสมอแต่อํานาจแห่งการเทินในการพิจารณานี้มันมีกําลังมากกว่ามันจึงไม่ยอมพักง่ายๆนะเนี่ยใครหมู่เพื่อนได้รู้เอาไว้เรื่องของนี้ไม่ผิด ท, ที่สอนนี่แน่ใจเวลามันเลยเถิดมันเลยเช่นอย่างท่านว่าอุทจฉะ อุทจากะอุทจาระหมายก็ว่าไงในสังโยชน์บื้องบนคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในงานทั้งตนไม่ไม่มีการทักผ่อนในจิตให้พอเหมาะกว่าดีเลยนี่ก็เป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งทําให้เนื่อนช้าอันหนึ่งแต่ความหมายว่าอย่างนั้นแต่เวลามันผ่านแล้วก็ดูเองนี่ฉังได้บอกไว้ก่อนใช่เลยทีนี้กัเมื่อเวลาถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หมุนที่อยู่ตีเลยเอาละที่นี่หนักขี้เหร่มีอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้ว ในอินเดียในในอาการของกิจที่คลิป้แปลงแปลยแปลงเคลื่อนไหวอะไรๆมีแต่เรื่องการฆ่ากิเลสตามฆ่ากิเลสทั้งนั้นถึงขั้นที่มันเตียงไกลแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี้หมอบโผงมาไม่ได้โผงมาถ้าเที่ยวมาแล้วเหมือนหัวขาดทันทีทันทีเลยอที่นี้เวลากิเลสไม่โผมันก็ต้องค้นหาทีนั่นล่ะค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอกิเลสแล้วได้งานแล้วเอาอีกอันหนึ่งนั่นสุดท้ทายก็หมุนติวต้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนถึงขนาดที่ว่าอีนี่ทำยังไง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 เอตะลุมบอลกันอีกแล้วอีกแล้วอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเอาให้มันพังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาจิตจะดับเอาดับไปยอะไรจะดับดับไม่มีอะไรที่จะเอาเหลือไว้เลยเอาเพระมันสมมติว่าเราเป็นอาหารน้าหรอให้มันเป็นอาหารหัวต่อไม่มีควารู้อันนั้นเห็นฟาดกันลงหมดไม่มีอะไรเหลือไว้เลยไม่สงวนอะไรไว้มันจะเป็นการสงวนจิตเด็ดแม้เช่นนั้นมันก็ไปลืมตัวอยู่จนได้นั่นแหละความสงวน ความรักความอ้ออิ่งความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมันโผล่หน้าขึ้นมาไม่รู้ตัวเลยติดจนได้เห็นไหมอวิชชาเก่งไหมทั้งทั้งที่ถึงขนาดนี้นะปัญญามันยังเป็นหมอบรากกับอีอวิชชาเป็นองค์คักรักษาอาวิชชาไว้อีกนั่นแต่มันก็ไม่นานเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่เป็นขั้นนอนใจอะไรอะไ ร, ะไร ก, ดก็ดีพิเกลนิดๆจะทราบทันทีนีเศร้าหมองนิดทราบทันที คือธรรมนาคำว่าผ่องใสจะต้องมีเศร้าหมองเป็นคู่กันมันมันชาตันตีีเพราะมันละเอียดทันกันทันกันสุดท้ายมันก็ไม่นอนใจกับธรรมชาตินี้เอ๊ะทำไมธรรมชาตินี้รรนรรนรรนทำไมจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นนี่นั่นหรอที่นี่พอเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมั น, นไม่ไว้ใจหรอไม่นอนใจไม่ไว้ใจเห็นว่าอันนี้จะเป็นข้าศึกอะไรอันหนึ่งจนแน่จนจนได้เลยจิตสติมันก็ปากเข้าไปปัญญาปากเข้าไปของนั้นทางถลายเอาที่นี่ไล่ข้ามันเดินโยกมือทั้งวันมันก็ไม่ยอมเดนจะว่าไง มันขี้เกียจน่ะถึงขั้นมันขี้เกียจมันขี้เกียจได้เดินยังกคมอยู่กับป่ากับโลกมันไม่ได้เล่นกับอะไรละมันเล่นกับนกกับสัตว์ไปอย่างนั้นล่ะที่นี่แทนที่จะเดินยังกคมหกหเหมือนหัวปักหัวป่าเหมือนแต่ก่อนมันไม่เอาเดินยังคงเป็นแบบเล่นไปเฉยจะจะฆ่าอะไรเอ้าพูดอย่างนี้มันถห็เนี่ยเอาฆ่าอะไรสู้กับอะไรนี่มันถึงขั้นทีถ้าทําถ้าเอามันหมดแล้วหามาสิกิเลสตัวไหนถ้าว่ามันหมดจริงๆแล้วมันยังหาเจออยู่ได้วันหมดเด้อ แไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลงไม่ว่าไม่ว่าอาการใดของกิเลสถ้าลงได้หมดแล้วค้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีจิงเรียกว่ามันหมดแล้วสิเอแล้ ว, ลวทีนีมน้มันจะสู้กับอะไรเมื่อมันหมดแล้วทําไมจะไม่รู้ตอนที่โกงแสดงไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมทุกไายของผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สงสัยพระเจ้าที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันสงสัยที่ตรงไหนนั่นมันก็รู้เองแล้วนะเรื่องเหล่านี้ ความเพียรไอ้ที่ว่าเมื่อไรจะได้หยุดได้อย่างสัทีไม่ต้องบอกมันขี้เกียจยิ่งกว่าอะไรมันไม่อยากทำเดินอยู่กรงไปก็เล่นกับสัตว์เรื่ยๆเห็นจิ้งกาเลยจิ้งก่าเห็นจิ้งโจกก็เล่นจิ้งโจกเห็นกระแตก็เล่นกระแตเห็นนกก็เล่นกับนกกระเสียแต่มันมีความหมายหนึ่งนะคําว่าเล่นนี่คืออะไรจิตวิญญาณในนั้นนันโอ้เสวยไปเสก่อนเธอจิตตรงนี้มันตึงอย่างนี้เองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะอจะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรก็ตามอยาละเอียดของร่างของสัตว์นั้นน่ะ มันมีจิตวิญญาณอยู่นั่นอยู่นั่ น, อ ย, น, น, อ, ย น, นอยู่นั่นทั้งหมดนั่นมันจับเอานั่นนะที่มาไปเล่นเล่นด้วยความสงสารต่างหากไม่ใช่เล่นโดยความเพลิดเพลินนั่นนั่นแหละรเรื่องของมันอขอท่านทั้งหลายจํำมานะปฏิบัติมันหลอกไหมผู้สอนอยู่เวลานี้หลอกท่านทั้งหลายใหม่ทาไมจึงมาเราหลอกเลยแหละมาการประพฤติปฏิบัติทําไมมาเราหอกเลยให้กิเลสเยียหัวนี่กิเลสมันวิเศษนักเหรือกิเลสมันทำลายสัตว์โลกมาเท่าไหร่แล้วเป็นรากไข่เป็นยังไงอะไรเป็นคนทําเป็นรากไผ่ทั้งเอานี่พา่นา เหนื่อยแล้วถ้าเป็นต่กอดแล้วโลกกระมือก็นอนวันนี้ก็ยังยังพอฟัดพออย่างไปอยู่ตัวหัวใจถ้าเป็นตะกอดผมไม่ได้นะต้องในระวังบางทีอ้าแล้วกันภาวะอย่างนั้นหยุดทันทีเรื่องบินทบาทอะไรก็ให้ระมัดระวังรักษาคิริยามารยาทนะยาจุงจีมห้าทำแบบปุบปบปุบปบปุบปุบปุบปจบปุบปุบเหบปุหปุเปินปุบปปไหนุ มันดูไม่ได้นะผมดูหมู่เพื่อนบินธบัตรเตือนหลายครั้งนะหนมารียบมาด่วนอะไรครับผมผมยังมาเมื่อไรผมก็มาจะไปเมื่อไรก็มาผมก็ไปของผมผมไม่ได้เร่งให้หมู่เพื่อนเป็นแต่ว่าไปตามเวลาที่เคยบอกนั่นนั่นเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะแล้วเช่นอย่างทุกวันนี้หกโมงเชาก็พอองหกโมงคึ่งก็พอแล้วพอออกดูสิพอพอพอพอสว่างเป็นวันใหม่จากนั้นหลับไปถึงอีกหนึ่งชั่วโมงก็ออกบินธบัตสายแรกนั่นก็เคยพูดแล้ว พรตอนนี้เรื่องตุ้ดนงวัดก็ไม่ค่อยตายนะักถ้าเป็นหน้าฝนเราก็ขยับขยายออกไปอีกเวลาเวลาเพราะคิดอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้ทาแบบไม่คิดนะอันนี้มันถึงได้หนักใจกระหมู่เพื่อนเห็นอะไรถามอะไรมันไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเราเพราะไม่ใช่หัวมันใช่แต่เท้าจะปีนเหยียบไปดะไปเลยดะไปเลยมันไม่ได้ใช่หัวคิดปัญญามันถึงหนักใจถามอะไรต้องติดแหละมันพอที่จะเต่ามามันไม่น่ามันไม่น่าจะติดก็ เป็นแล้วยุ่งกันอยู่กว่าจะได้ความมาแต่และอย่างเอย่างนี่ใช่ไม่ใช่หั ว, หวเลยทําไงมันทําให้ท้อใจถึงเรื่องการแก้กิเลส น, นะเพราะได้เคยใช้มาแล้วเนี่ยใช้หัวกับกิเลสจะไม่ใช่หัวทิดปัญญาอย่างที่เราใช้นะมันหัวปัญญาอยู่นี่ปัญญาการฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาขึ้นอยู่สมองนะอืตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิไปแล้ว จะไม่มีมายุ่งกันเกับสมองว่าสมองทํางานอย่างั้นสมองทํางานอย่างนี้สมองมันมีแต่ความจำเท่านั้นแหละมันทื่อเมื่อจดจำแรงมากทืก่ออย่างเราเรียนหนังสือนี่เรียนมีแต่ความอยากมีแต่ความกําลังแลงความอยากเต็มสมองากานเรียนไปเรียนไ ป, นไปมันไม่จำํำเรียนมากเข้ามากเข้ามันสมองทื่อหมดนั่นความจําขึ้นสมองถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วจะไม่ขึ้นนะสงบอยู่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้ ถ้าปัญญาแล้วก็ไม่ขึ้นจะหมุนอยู่ที่อู่ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นชัดๆทองไสก็ทองใสอยู่ตรงนี้อืสงบเย็นก็เย็นอยู่ตรงนี้ทองใสมากน้อยเพียงไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นมันไม่ได้มาอยู่สมองนะมันไม่ได้ขึ้นแตมันเห็นชัดๆอย่างนั้นสิหนปฏิบัติอืเพราะเป็นสิ่งที่จะรู้โดยตัวเองแท้ๆการปฏิบัติตรงนี้อันไหนเป็นสัญญาสัญญาทํางานอยู่ที่ไหนปัญญาทํางานที่ไหนมันรู้เองนี่น่ะเมื่อถึงขั้นแล้ว นี่ก่รู้สึกว่ามันกําลังวังชามก่อนนั้นมันไม่อยากเล่น ก, กับอะไรนะกับแขกกับคนกับพระกับเน้นอะไรพอเลยเวลาแล้วไม่ให้ใครไปยุมมันเหมอกนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อวความจําเป็นมีอยู่เราก็ต้องปฏิบัติตามความจําเป็นเพราะนั้นจริงได้รับแขกรับคนตามการเวลาที่เห็นสมควรว่าจะควรรับก็รับไปทั้งๆ ท, ที่ทนเอาเ น, นี่ย แต่ธรรมดาแล้วมันไมจะยุ่งกับอะไรเลยนะอยู่คนเดียวทั้งวันนั่นเป็นความเหมาะสมแล้วกับทัดขนนนันี้มีเท่านั้นมยุ่งกับอะไรหาอะไรกับอะไรมันไม่ได้ยุ่งขี้เกียจมันขี้เกียจยุ่งนะคือมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีภาระราเพิ่มไปแล้วน้ำหนักก็แสดงว่ามีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะแบกในขันนี่พรพอดีแล้วแล้วมีเรื่องนั้นมาเรื่องนั้นี่เป็นภาระขึ้นมาอีกแบกเช่นเกีเ่ยวข้องกับผู้กับคนแนะนํนำส อ, อน ปฏิฐานต้อนรับ่ะมันเป็นเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มภาระให้แดกให้หามนั่นมันเหนอกมันเหนื่อยว่าจึงหลบเลื่อยเห็นแขกมาคนมาหลบหนีนั่นหลบหนีนี่มันนักเป็นอ่ไรเนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเวลามันแก่มามันก็เป็นของมันมันหนักรู้ในตัวในมันมพูดจะพูดทุกแง่ทุกมุมมันไม่เหมาะหนึ่งแล้วไม่น่าพูดหนึ่ง แล้วพูดออกมามันไม่ตรงตามความจริงที่มันเป็นในหัวใจนั้นหนึ่งนี่มันมีหลายแง่ที่จะไม่พูดทั้งทั้งที่มันเป็นในหัวใจนั่นแหละรู้อยู่นี่เราพยายามไม่ให้มีการมีงานไให้หมู่เพื่อนทาความเพี้ยปาคเพียนเราเทิดทุนที่สุดเรื่องความภาคเพียนกิจภาวนาตามหลักสาสดาที่สอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์เราจึงเทิดทูนที่สุดไม่ให้อะไรมาแตะ ไม่อะไรมาทำลายถ้าไม่จำเป็นจริงๆะฉะนั้นเราจรึงสมวนหมู่เพื่อนให้ประกอบความภาคเปลี่ยนหวัวใจเราคงก็เห็นบุญค่าอันนี้อยู่แล้วเด่นอยู่ในหัวใจเราจะเอาอะไรนั้นมาสิ่ ง, งนั้นขี่หมูลาขี้หมาแห้งเข้ามาเหยียบย่ําทำลายสิ่งที่ประเสริฐเลื่อนเลยหลืกการประกอบความภาคเปียนเป็นเรื่องประเสริฐเลิ่เลยผู้เจ้าค้นทุกจกักเพราะการประกอบความภาคเปลี่ยนโดยนในมน้องจำรีพอนาสาวกน้อยเป็นอย่างนั้นสาว น, าอาวน้องขรฉามีกงพ่อเราเป็นอย่างนั้น ไม่ได้ว่ามันกุฏิหลังนั้นเจดีอันนี้วิหารอันนั้นโบสถ์หลังนี้ฉะนั้นก็ถามอีกทีนะ น, นั้นเป็นเครื่องใช้สอยมันควรจําเป็นมากน้อยอย่างไรเราก็ไม่พิเสษแต่อย่าให้มันพิเศษยิ่งกว่าการเหล่านี้ก็พอเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไง น, นน ะ, ะมันพิเศษยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพิเศษไหนที่ไหนมีแต่เรื่องก่อเรื่องสร้างยุ่งไปหมดกลายเป็นพระควรบ้านควรเมือง พบเขาก็ไม่ได้หรอกเขาจะเอาห้าเอาสิบกับเขาโอ้ยมันน่าทนะุเรศนะเรายังไม่ดูอยู่เหลือลหัวร้อนๆ น, นี่นะ่ะพราไม่คิดใครจะคิดเรื่องเท่า น, นี้คิดไม่ได้มันจะคิดค่ากิเลสได้ยังไงมันจะหยาบนี่นะ่ะอะไรเกิดมาก็ เ, าเป็นด้วยความบริสุทธิ์ให้เขาได้ให้ด้วยความเริ่วมใสนะั่นแหละมันถูกจุดเราก็เหมือนกันกับเขาเขาเหมือนกันกบเราถ้าให้อะให้ด้วยความร่มใส อย่าให้โดยการถูกบีบถูกบังคับด้วยหาเล่หาเหลี่ยมอะไรๆแบบโลกมันก็ยาบกว่าโลกกว่าสิเดินมันจะเหนื่อยมันเป็นยังไงลองดูสิทางานเขาทํางานทั้งโลกทั้งศาลก็ทําเกือบเป็นกับตายนะแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มารับทานเอามาใส่บาตรทาบุญให้ฐานงานของเขาหนักอยู่นะเรื่องงานของเรามันเป็นยังไงมันมีแต่หนักด้วยความขี้เกียจขี้ขัน หนักอยู่กับเสือกหมอนว่าไม่ได้นักอยู่กับเดินโยกมณ ang สมาธิภาวนาเดินโยกมก็ไม่พอที่จะเหนื่อยแล้วราจะเอาอะไรมาให้กิเลสมันหนังถลอก บ, บ้างถ้ากิเลมีหนังหนังกิเลมันก็เหมือนหนังเราเนี่ยเรากู้ดได้หนังเราถลอกหนังกิเลมก็ไม่ถลอกลรอสิเดีน๋นันนน้มันได้เหนื่อยลองดูเป็นยังไงนั่งกัให้มันได้เหนื่อยได้เจ็บได้ปวดลองดูว่านี่เราทํางานนะกายเลยรู้ว่าอ๋องานนี่หนักว่านี้ได้ทุ่มอย่างนี้นี่งานหนักวันนี้เออ มันไม่ได้รู้เรื่องบ้างดินี้มันไม่ได้เรื่องอะไรรูที่ในตำลักตำนาอะไรเด่นในตำลักตำนาท่านสอนไว้มีแต่เรื่องภาวนานะ่นเด่นไม่ได้มีเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับญาติกับโยมเป็นงานใหญ่นะออืเป็นงานเด่นนะเด่นในเรื่องเดินโยมนั่งสมาธิภาวนา ระหว่างพระกรรมฐานพระผู้ปฏิบัติมาเจอกันคุยกันในเรื่องอัดเรื่องทำท่านธรรมท่านท่านว่าอการเลยนะธรรมะสากฉาเอกตมังขารมุตมังคือสนทนาธรรมะกันตามการตามเวลาท่านท่านสนทนาอย่างนั้นนั่นแหละท่านว่าเอตมังขามุตมังเป็นมงคลไม่เลิคุยการบ้านการเมืองการได้การเสียการซื้อการขายการหญิงการชายการหนุ่มการสาว โทรทัศน์วิดีโออย่างนี้นะนี่มันเรื่องทําลายศาสนาเนี่ยม่นไม่ได้พูดอย่างนี้ท่านพูดเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนั่นภาวนาดีไหมท่านมีเรื่องราวอะไรทั้งกระสนทนากันเป็นสิริมงคลเป็นคติแก่กันและกันองค์นั้นพูดออกมาก็น่าฟังองค์นี้พูดออกไปก็น่าฟังตางอนต่างได้คติจากกันมีอย่างนั้น่ะในหลักตำรับตาราท่านแสดงไว้อย่างนั้นไม่ได้มาอุตริพูดให้หมู่เพื่อนฟังเฉยนะฮะ กเรียนเนี่ยทตไมมันจะไม่เห็นองค์นั้นไปเขาเนั้นนั้นไปป่านู้นถ้ำนั้นน่พูดกันมีแต่เรื่องอัานเรื่องทำเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องศรัทธาความภาคความเกีย น, นเป็นอย่างนั้นนะ่ะอันนี้มันมีเจอหน้ากันเป็นยังไงเห็นแล้วยังบดถเส็จแล้วยังสลาอันนั้นเสร็จแล้วยังอันนั้นเสร็จแล้วยังอันนี้นู่นไปฮักเอาที่ไม่ขัน ในไอ้ที่ว่าโบสถ์ผู้ที่เจ้าท่านสอนไว้ที่ตรงไหนือนี่ก็เรียนเหมือนกันวิเศษอะไระนั้นหนาไม่ต้องได้ทุ่มเงิ น, นขนาดนั้นให้ดอดเดือดร้อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นการถึงพระวรบ้านคนเมืองไปวิเศษอะไรเอาว่ามาสิเห็นอยู่นี่แ่ะขําพีเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้พูดประมาทสีมาท่านั้นสีมาท่านนี้ท่านก็บอกไว้หมดแล้วทําอะไรจะให้รู้เวลาเงนั้นนมีเที่ยไหน เรามไม่ได้ดูก็มาพูดอย่างนี้มันก็กเป็นอีกอย่างนึง น, นี่ได้ดูจริงๆพูดมาจากการดูการเห็นในตำราต่าแล้วถึงมาพูดนี่นะออืคำพีเดียวกั น, นมาตบตากันได้งไงเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่อะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญไปที่ไหนนะสร้างยุ่งไปหมดน้งแม่ถื อ, อวิเศษวิโสด้ว ย, ว ย, วยไม้ด้วย กิดด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายยิ่งกว่าทำนี่นะแล้วการบินธ บ, บาตรก็อย่ารีบอย่าด่วนนะอย่ามาเป็นอารมณ์กับผมผมก็ทราบว่าหมู่เพื่อนไปบินธ บ, บาตรหมู่เพื่อนทำไมจะไม่ทราบว่าผมบินธ บ, บ า, าตรช้าหรือเดียวก็เรื่องของผมหมู่เพื่อนก็ให้ไปด้วยความสวยงามให้เป็นที่น่าดูนะอย่าลุกรี่ลุกลนดูไม่ได้ ไปพู้ที่เกี่ยวข้องกับผมกับมันกันที่รับบาดรับอะไรนี่เหมือนกันให้มากระหม่อกับเพื่อนสะดวกสบายกระหม่กับเพื่อนอย่ามาเป็นกังวลกับผมมาด้วยความสวยงามมาด้วยความเคารวมาด้วยความพอเหมาะพอสมการเจตนาต่อครูบาอาจารย์นั้นก็หากถูก็เห็นใจในส่วนหนึ่งแต่ว่าเรานี้เราทําเพื่อหมู่เพื่อนนะให้สวยงามบินระบาดให้สวยงามมาโดยลำดับตั้งแต่องค์แรกถึงองค์สุดท้ายจาะมนเน้นน้อยๆองคให้เรียบมาโดยลําดับเราต้องการอย่างนั้น เราไม่มาลุกเลี้ยวเดินเพื่อเราคนเดียวไม่เอาไม่ถูกแต่เราเองไม่เห็นไปลุกเลี้ยวเดิ อ, อะไรนี่เราก็ไปของเราเองเราไปนี้เราสะดวกสําหรับเราเองเราะฉนั้นเราจึงไม่ให้ใครไปด้วยนิสัยเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็บอกนิสัยเราเป็นอย่างนี้นี่เราไม่ได้วิเสศษี่โสอะไรแหละแต่มันไปตามนิสัยเห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยตัวตัวเองนี่เคยใช้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเดินไปเนี่ยพิจารณาอยู่ในเนี่จะให้ผมพูดอะไรกันอ่ะแล้วมันจะเป็นการอวดอีกนะฮะ มันพูดยากนี่นะมันเป็นอยู่ในนี่ไปคนเดียวสำรวจพิจารณาไปบางทีมีเงื่อนมีอะไรมันมันเป็นของมันเองอะไรนี่มันพูดทําไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดยากนะถ้ามันเป็นแล้วมันพูดได้ล่ะไม่ว่าใครล่ะอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมาเดินไปอินทํางานนั่นแหละทงานด้วยอดด้วยทำนี่ไม่ทํางานที่ฟุ้งเฟ้อเหิมดือดเขาอะไร อันเป็นอยู่นั้นอ่ะทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหมเป็นอีกอย่างหนึ่งของท่านเวลาไปกับหมู่กับเพื่อนนั่นท่านคิดทั้งท่านอีกหนึ่งนี่เจนได้เตือนหมูเพื่อนเอาไว้หมู่เพื่อนจะไม่เข้าใจความหมายของท่านเราพิจารณาตะเกียรตะการตามท่านได้ขนาดไหนเราก็ได้เตือนหมู่เพื่อนเวลาเราไม่อยู่ไปเที่ยวเป็นบางการบางเวลาหาความขึ้นหน้าที่เร่แล้วก็ใครไปอยู่ติดกับท่านให้ระวังบอก ท่านพูดอะไรๆท่านถามมานิยามกราบเรียนท่านหนาป่ะแล้วมันเป็นเรื่องสัมปัสัมพันของธรรมท่านมาหาเราท่านเกียดมานี่ท่านก็ถามได้แล้วท่านก็ผ่านไปเรื่องบางกีมาเกียดกับเราแล้วท่านก็ถามเมื่อยังงั้นใช่ไหมนี่แล้วท่านก็ผ่านไปหากว่าท่านจะถามจริงๆแล้วคล้ายๆก็รูกผู้อ่ะเผยยากอะไรเนาะบงทีท่านหานมาถามจริงๆร่อถามจริงนะเขาจะตอบก็ตอบด้วยความจําเป็นนิดหนึ่งเท่านั้นไม่มาก แล้วจากนั้นท่านก็เรื่องของท่านไปล่ะมเห็นสัตว์ท่านพูดเรื่องสัตว์เห็นวัวพูดเรื่องวัวเห็นหมาพูดเรื่องหมาเห็นหมูพูดเรื่องหมูเห็นเด็กพูดเรื่อง Ų, ดเด็กออืเห็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยท่างก็พูดเรื่องนี้แล้วมีแต่ธรรมของท่านทั้งนั้นที่ออกจากหัวใจนี่อันนั้นเป็นเครื่องประกอบประกอบประกอบนั่นตอนเด็กท่านมีแต่ธรรมทั้งนั้นมันไม่เป็นในหัวใจมันขอไม่รู้จะว่างไงบางรายก็จะเข้าใจว่าท่านพูดไป24 25นั่นสิ บางที่ท่านถามมาก็ตอบไปเลยแล้วก็มันก็เสียนั่งอย่างนี้บางทีท่านพูดท่านถามไปปั๊บตอบมาปุ๊บท่านนิ่งไปเลยเนี่ยมันสะดุดกึกท่านท่านก็สะดุดกึกเยอะเรื่องของท่านท่าก็ไปของท่านแล้วก็ท่านก็ผ่านไปทำมากของท่านไปเกียดไปตรงไหนไก็ถามไปแล้พอเป็นพิธีที่นั่ท่านก็ผ่านของบ้านไปนั่นเป็นความจริงนี่สายของพระแม่ขุยาย์ท่านเป็นอย่างนั้น ท่านพูดของท่านไปเรื่อยเป็นธรรมอันนั้นเป็นเป็นเครื่องประกอบกับธรรมท่านคที่ทคิดภายในนี้ท่านพูดเป็นคตินี่นะออืไม่ใช่ไม่เป็นคติพูดเรื่องอะไรก็ตามเป็นคติกติพอที่พูดอข้างหลังจะได้ยินชัดชัดชัดชัดนั่นก็แปลกอยู่นั่นแหละไม่ซ้ำนะท่านพูดนะอเรื่องอดเรื่องธรรมภายในใจที่ไม่ซ้ำนะมีเงื่อนแปกกันไป อีกย่อยไปอันนี้ไปทั้งนั้นอันี้ไปอัปนี้ไปเรื่อยๆนะัฟังเราสนุกฟังอุบายสติปัญญาท่านที่สแสดงออกไปอีกที่เป็นธรรมล้วนๆแล้วพูดมีแต่เรื่องธรรมล้วนๆพูดออกมาน่าฟังนะเห็นไปเห็นเด็กก็พูดเรื่องเด็ ก, กเป็นธรรมอันหนึ่งประจําเด็กกันแหละไปเห็นหมูก็พูดเรื่องหมูอเป็นธรรมอันหนึ่งประจำหมูลูกวัวลูกวัวอะไร อย่างที่เขียนไว้ในประวัติท่านแหะเราเขียนว่าย่อยๆนั่นน่ะเพียงย่อยๆให้รู้ว่านี่าท่านชอบจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาพูดพอเป็นหลักนิดหน่อยส่วนท่านอ่ะเป็นอยู่ทุกวันตามที่สายของท่านมีนระบาด ท, ท่านจะพูดของท่านไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆไม่ทนใจกระเพนะเราสนุกฟังคอยจับเอาเรื่องต่างๆเพราะท่านพูดนี่มัมนมีเงื่อนที่สอน เป็นคติคติได้เยอะบางทีเราอบคบขันว่าอ่ไรยังมีท่านพูดท่านตีขึ้นมาข้างหลังนี่ดิท่านพูดแล้วท่านตีย้อนหลังมาครับพวกเราข้างหลังท่านเอาสัตว์ตรง น, นั้นเป็นเหตุท่านตีลงมาย้อนหลังนี่เป็นคติสอนพวกเราเนี่ยแล้วตอนที่เหมานแปลกนะไอหมาดํากันนี่ที่มันฝังลึกนะ่ะสำหรับผมหมาดำํำกัน มันก็มาพนเพืีอ่อยนท่านทุกวันแหละคือไปบินตะบะเขาไม่มาตามส่งเราพวกนั้น น, นนะมีอะไรเขก็ใส่บาทแล้วท่านก็ให้พรเขาเป็นจุดเป็นจุดคือคือมีมีร้านล้านของท่านเล็กๆเป็นอัน น, นี้แล้วก็โปกพระอะไเป็นแถววให้พรั้องหากว่าท่านจะพูดต่อมันบ้างท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นพูดกัมาต้นนั้นน่ะ วันนั้นมนันแปลกๆอย่างนี้ท่านหมาตัว น, นั้นมันมาเดิ น, ปนเปลี่ยนมันเป็นไอ้ดาะมึ่อกี้มันเหยาจะเผากูได้มึงนเ่อกี้มันเยาะจะเากูได้เนี่คุณเปลี่ย น, ม, นมันอ ง, ว า, ไไงนนนนวางกันจ้ะมันก็มาหา ก, กินดำธรรมดาฮะทุกวันท่านไม่ได้วางกันสินะมันก็มาอยางคุวันเนี่ยหน้าจนของบ้านมันก็ยูน่นเห นี่บ้านมันมันก็อยู่หน้าบ้านมันมันงายอยู่ได้หมาเป็นกระไรมันดำมึงมันเหยียวจะเผากูได้มึงนะวางเงนนะเหยียวเยียบจะผากนาสิบาดมันนะแล้วก็จับคืปุ๊บลอแล้วเพราะถ้าไม่เคยพูกกับมันเถอะยมันยังไหมาย่มันเหยียบจะเผากบ้าหมดแล้วก็ตั้งความนีใช้โดล่ะตั้งตีมันยอนเหียบนะเพราะทุกวันมันไม่ได้ว่างอัน ว่าบักดำเงินมึงเงนเงียจะผผาด้วยมึงเงินมึงเงินเงีจะผผาด้ว่าอีหล่ะสองซ้ำเนี่ยมันก็เดินไปหน้าพ่อเขานพ่อพนนนางเลยด้วยแ้มันยังเป็นรับบาดเป็นองค์นั่นแหลนางหล่เพรอะนันมากหละดำมันก็เบื่อไปาน้อยนึ่งกับหม่ดีแมาหานมันใส่พีนเดิมแม่กูบอกวนบักดานี่สิมันหนักคิดเอามากมกูบอกแล้วแต่บักดำมึงบ้าฟังมันเนห่านี่สิ แล้วต่อไปมันกระม้าเนี่ยนะเพิ่งก็เพิ่งมาเพราว่าทั้มือเดียวน่ะแล้วมันเหยียวอีดีน่ะเนี่ยมันสำคัญเลยมันน่าคิดเยออก็ไปวินตบานยันถ่ายคิดดูดิแล้วเคยน่อคืไปพูดเรื่องเยียวกูน่าเงี้ยนี่ก็พูดธรรมดาก็บังดําเหมือนก็พูดกั f l a ตรงต่คนณเอาแบบลอาแบบไปก็บังดําก็พูดมือนึงไปแบบหนึ่งมือนึงไปแบบหนึ่งนี่บาทีมันมันเมื่อยเป็นถ้ามีโรคหัวใจแล้วมันก็กระเทือนปึ้งเข้าไปเลย แต่ระยะต้องไปกวดผีด่านมานี่ก็ดูว่าได้ผลดีอยู่แต่มันมีอันหนึ่งที่มันบัดเป็นวัดเยื้อๆนี่หมอเ็ว่าไม่มียายอยาเกี่ยวกับวัดว่ะนี่มันไปแพ้อะไรเรานานาะใหลวงท่านก็ทรงเป็นห่วงเ ร, เราพิษแต่ภาษาเราภาษาตลาดก็เรียกว่าโอ้เราก็เห็นใจท่านเหมือนกันท่านก็ทรงห่วงใยก็คงจะคิด เหมือนกับเรานี่ยแหละไม่ว่าใครหรอกที่ความคิดนี่ก็คงจะเหมือนเหมือนเราเนี่อูุบาจารย์องนั่นก็ตายไปองนี้ตายไปหมดไปหมดไปเนี่ยเร็วๆหลังๆนัๆ่งก่อนหน้าไม่กี่วันก็เผาศพลงอูแหวนนัน่นก็สุดๆโดนด้าท่านก็คงทรงทราบเรื่องราวของเราประเทศที่จะพ่ออย่างยิ่งกว่าประเทศสีลาด เทสี่งเร้าที่หลายกันนี่นะสามกันสี่กันนี่กับพ่อควางสารนั่นแหละมันจะเป็นอะไรไปแล้วกับอันนึงก็ต้องการจะปีเครื่องจับนี้เวลาเทศไปแล้วมันจะแสดงอาการอะไรหัวใจเราเครื่องจับเขจะบอกในขณะที่เทสอันนึงรับใหญ่ของเราก็อยู่กับเพื่อความเข้าใจในอานิธรรมของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละ เราก็ได้ตั้งใจเทศจริงๆถึงจะไม่เผืดร้อนมากก็เป็นธรรมที่จะให้เข้าใจโดยไม่ต้องสงสัยแหละว่าจะเป็นประโยชน์อยู่มากมายเราจะได้ตั้งใจเทศให้ฟังนี่ก็งคงโโโจะคงเป็นห่วงถึงเรื่องเหลนีล้เลยถ้าภาษาเราก็เรียกว่าท่านเอูวไว้ไม่ให้ใครเข้ามายุนะ่งนักเกินไม่ให้ใครยุ่งเกินไปเป็นที่ว่า ห้ามไม่ให้อาจารย์หาบวดดัวแสดงธรรมรับสั่งมาจากพระนับภูพิงนี่ก็เป็นเหมือนกั บ, บขู่เอาไว้ไม่ให้เข้ามายุ่งอุ่นวายจนเกินไปความหมายว่างั้นเมื่อเมื่อประชาชนทั้งหลายทราบเรื่องราวของพระองค์แล้วก็ก็จะสงบลงความหมายก็ว่างั้นนะไม่ใช่อะไ ร, รแล้วเราก็สงสาร คุณมาอุทยเหมือนกันอันนี้เราก็ได้พูดก่อนหน้านั้นแล้วอคุณมาอุทัยนี่ก็รักษาเรานี้รักษาในฐานะลูกศิษย์กบอาจารย์รักษาด้วยความเคารพร่วมใส่ด้วยความเต็มอกเต็มใจเต็มที่นะวะไม่มีข้อบอกพร่องอะไรเลยแต่ยังไงก็คงไม่พ้นความหลักใจความเป็นอารมณ์ของใจจนได้เนีวว่ยเราอ่ะเพราะมันมีหลายด้านหลายทางเดี๋ยวกับประชาชน ที่ถามเข้าไปโทรศัพท์นั่นแทบจะไม่ได้วางหูฟังสินั่นถามมานี้ถามมานอกจากกรุงเทพมแล้วยังต่างจังหวัดอีกถามเข้าไปถามอข้าไปจนพยาบาลพวกหมออะไรๆนี่งงกันสงสัยถามกันยุ่งไปหมดเกี่ยวเรื่องของเรานี่อันหนึ่งอันหนึ่งก็เกี่ยวกับทั้งสองพระองค์ด้วยนี่อันหนึ่งนอกที่ได้พูดว่า หลวงไทพึ่งจะรักษาเราด้วยความเต็มอกเต็มใจเต็มกําลังความสามารถแล้วก็ตามแต่ก็คงไม่พ้นที่เป็นข้อหนักใจเป็นความกังวลใจที่เกี่ยวกับผู้คนซึ่งมาเกี่ยวข้องกับเราเพราะอันนี้เราทราบจากหนึ่งไปเวลาตอนเช้าไปจังหันเนี่ยะทั้งทั้งที่คนไปที่นั่นก็ไม่มากนักหากมากสําหรับผู้ที่ไม่เคยเห็น ในคลินิกนั้นแน่นทุวันแต่ท่านเราเราที่เคยเห็นแล้วเราว่าไม่มากแต่แสดงว่าเขาเกรงอกเกรงใจบรรดาศรัทธาทั้งหลายก็เกรงอกเกรงใจเจ้าของถิ่นคือคลินิกกลัวจะไม่มีที่ตั้ที่นั่งบ้างอะไรบ้างกลัวจะต้อนรับขับสู่ลําบากบ้างอะไรก็มีความเกรงใจก็ไปก็แบบว่าไปแบบจำเขียวแต่ที่นั่นมันไม่เขียว ม, มั้งพี่เพราะไม่เคยเห็นคนมากขนาดนั้น ร้านแบบเราเคยเห็นที่อื่นๆนั้นมากกว่านั้นเป็อย่างยู่สวนแสงธรรมยู่โห้แน่นจนรถหาที่จอดไได้ไปที่นี่มันไม่ได้ขนาดนั้นมันก็มากเพราะเนาะมันก็แคบนี่นี่อันหนึ่งอันหนึ่งก็โทรศัพท์มาถามยังสามทุ่มสี่ทุ่มยังโทรมาถามเลยอย่าว่าแต่กลางวันนี่นี่หนึ่งเราก็อดคิดไม่ได้แล้วก็อดพูดไม่ได้ พอตวนจะจะกลับมานี่ก็มโหสถยกพูดมาแบบที่เราคิดไว้นั่นเป็นพยานได้เป็นอย่างดีพูดว่านี่ถ้าท่านอาจารย์เป็นอะไรไปนี่ผมต้องตายแน่ๆเลยหนังดอกกอกแล้วจี่งๆถ้าท่านอาจารย์เป็นอะไรไปผมต้องตายแน่ๆเลยก็เพรามันเกี่ยวกันหมดปนก็เป็นห่วงเป็นใ่เพราะเขาถือว่าเป็นครูปอาจ์ ใ่ก็ถามาามาถามมาถามมาเนี่ยหละเรื่องมันก็เป็นไงี้คือเรื่องมันเกี่ยวโยงกันจะไม่เป็นกังวลยังไงแต่อยู่ที่นั่นกอนั่งภาวนาได้มากกว่าเราอยู่ที่วัด น, นะเพราะจะว่าอากาศก็หรือพื้นที่อะไรนี่เราก็มักจะว่าอากาศกรุงเทพนะ่ะดีกว่าทางนี้มากมาย เช่นอย่างโลกของเราเจ็บหลังนี่นะยัง ท, ที่จะไปเนี่ยโอ้โหเจ็บจนขนาดที่จะเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วไปนู่นยังค่อยเบาลงเบาลงเบาแล้วนั่งพอนาได้ตั้งนานนานนะเพราะอยู่นั่นไม่มีงานอะไรก็มีแต่นั่งพอนาเดินก็หาที่เดินลําบากนี่นั่งพอนานทีหนึ่งทีหนึ่งเป็นชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่ามันนั่งได้สบายสบายมาอยู่ที่นี่มันเป็นอย่างงไงนะ เจ้าของมันนเป็นขงมันนะ น, นั่งนั่งนี่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะปรากฏว่ามันเป็นอะไรให้รู้ในเนี่ยแล้วสุดท้ายเวลาเราจะลุกออกมานี่เอาออกมาได้ขานี่ยนะจะต้องได้จับขาเนี่ยออกมานี่แล้วเนี่ยไม่ได้ถึงชั่วโมงนะนี่แหละมันผิดกันเอาขนาดนี้คือทั้งนี้อากาศมันหยาบมากอ่ะ มันขัดมันเจ็บมันปวดหมดหลังนี่เหมือนมันจะขาดแล้วอันนี้ขานี่ก็เหมือนกันมันเลยไม่ทํางานไม่ลาจะเหยียดออกเหยียดไม่ได้มันตายแล้วเลยต้องไจับออกวางอแค่ไม่ถึงชั่วโมงมันจะได้วางอะไรธรรมดาอันนี้มันเป็นเนี่ยกุตีผมนี่นั่งภาวนาข้างในจับขาดออกวางอยู่นั่นไม่มีอะไรนี่ธรรมดาธรรมดา พราะปกติการนั่งภาวนาเราแม้จะแก่มาแลว้วก็ตามตามธรรมดาผมจะนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงระหว่างคันก็ปิดเป็นความสะดวกสบายต่อกันด้วยการภาวนาแล้วก็ทํำของเราอย่างนั้นแต่ก่อนตรงนุ่นไม่ต้องพูดแล้วตั้งแตประกอบความเพียรสู้ี่เดสนั่นไม่ต้องพูดแล้วนอกจากเราจะสงวนเวลาไว้ เพื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้มันหนาวมากอันนี้กลางวันเราจะไม่นั่งนานประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่ให้นานแล้วลงเดินจงกรมจะให้มากที่สุดกลางวันพอกลางคืนมามันหนาวหนาวเข้าหนาวเขาจึงกระทั่งก้าวขาไม่ออกนะหนาวมากๆนี่ก้าวขาไม่ออกกิงแข็งไปหมดเลยนั่นต้องเข้าแลนะ้วนั่นน้ำค้างนี่นะเพียงสามทุ่มเริ่มแล้วนะ น้ำค้างมันตกจากใบไม้ปบปบปบปบปบปบพอถึงสว่างนะโอ้โหเหมือนหาฝนเท่านะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเนี่ยเมื่อเวลามันมันหนาวมากๆงั้นเราเดินยู่กดไม่ได้นี่ตัวแข็งหมดเลยนะก้าวขาไม่ออกแล้วผ้านี่ก็เหมือนน้ำเย็นนี่นั่นล่ละเราได้ใช้อยาบุตรนั่งมากนะนั่น เพราะฉะนั้นตอนกลางวันเราจึงต้องใช้เดินให้มากให้มันพอกันอย่างนั้นเราถึงจะนั่งเพียงชั่วโมงถ้าธรรมดาแล้วโหอย่างน้อยกลางวันนี้ตั้งสองชั่วโมงขึ้นไปแล้วกลางคืนไม่ต้องพูดสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงถือเป็นธรรมดาธรรมดาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนั่งธรรมดานะแม้เราไม่ได้หมายถึงว่านั่งหามลุ่มหามขําบางทีถึงเจ็แปดชั่วโมงก็มีห้าหกชั่วโมงก็มีแต่นั้นมันมีเป็นเป็นข้างค่าว แต่ไอ้เรื่องสามสี่ชั่วโมงนี้เป็นธรรมดาประจาวันมันเคยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะเพราะมันชินมันเคยเป็นความเคยเดี๋ยวนี้มนไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นคนโลโลกแล้วใหิดดูนั่งไม่ถึงชั่วโมงมาจับขา้องออกวางมันตายแล้วเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้วะอย่นี่ังนั่งไม่ก็ไดแล้วยิ่งร้อนๆนี่โอ้โหมิเตเดินมากละ เขาไปเดินอยู่ในป่านั่งไม่ได้นะมันร้อนเหงื่อแตก